ท, ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเสียงอ่านพระธรรมของนักศึกษาพระอภิธรรมสำนักเรียนพระอภิธรรมอภิธรรมมิกะวิชาลัยวัดลอมพระเจ้าตองเลขที่ 105, หนึ่งรห้ามูเจ็ตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลาพูนการอ่านพระธรรมจากพระตรายปิฎกครั้งนี้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 ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นชนัคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมก็ความแตกต่างแห่งกรรมเป็นชนัคือ กรรมที่ให้วิบากในนรกก็มีกรรมที่ให้วิบากในกําเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็มีและที่ให้วิบากในเปรตวิสัยก็มีที่ให้วิบากในมนุษยโลกก็มีที่ให้วิบากในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งกรรมก็วิบากแห่งกรรมเป็นชไหนคือ เราย่อมกล่าววิบากแห่งกรรมว่ามี3ประการคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน1กรรมที่ให้ผลในภพที่เกิด1และกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไป1 น, นี้เราเรียกว่าวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมเป็นไงคือความดับแห่งกรรม ย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลคือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบระลึกชอบและตั้งใจชอบเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม ดูก่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้กรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรม แม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเลยเป็นอันไม่มีกรรมทั้งหลายย่อมติดตามไปทุกๆุกชาติแม้อสงไข้ด้วยว่ากรรมจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเมื่ อ, อยังไม่ให้ผลแล้วย่อมไม่พินาศไปบุรุษทากรรมเหล่าใดไว้เขาย่อมเห็นกรรมนั้นในตนผู้ทํากรรมดี ยอมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วยอมได้รับผลชั่วบุคคลหวานพืชเช่นใดยอมได้รับผลเช่นนั้นถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายไซท่านทั้งหลายอย่าได้ทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับเลย ถ้าท่านทั้งหลายจักทําหรือทําอยู่ซึ่งบาปกรรมนั้นไซท่านทั้งหลายแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์เลยข้าวเปลือกทรัพย์เงินทอง หรือข้าวของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ทาตกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยของเขาพึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมดจะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมดก็บุคคลทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั้นแหละเป็นของของเขา และเขาย่อมพาเอากรำนั้นไปอันหนึ่งกำนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำความดีสั่งสมไว้สำหรับพบหน้าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าตันหายังคนให้เกิด จิต ข, ของเขาย่อมวิ่งพล่านสัตว์เวียนว่ายไปยังสังสารกรรมเป็นที่พำนักของสัตว์นั้นสนิมเกิดขึ้นแต่เหล็กเองครั้นเกิดขึ้นแต่เหล็กนั้นแล้วย่อมกัดกินเหล็กนั้นแหละฉันใดกรรมของตนย่อมนำบุคคลผู้มักประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาคือปัญญาเครื่องกำจัดกิเลส ไปสู่ทุกคติชั้นนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายเพราะชีวิตความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและบาปคือผู้มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่นรกส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญจักไปสู่สุคติเพราะฉะ น, นั้น พึงทำกรรมงามอันจะนำไปสู่สำไปรยพบสั่งสมไว้บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีบุคคลมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไหย้ย่อมเสพผลของกรรมใด กรรมนั้นทำแล้วไม่ดีบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นแหลททำแล้วเป็นดีคนพาลผู้มีปัญญาสามย่อมประพฤติกับตนดังศัตรูย่อมทากรรมลามกอันอานวยผลเผ็ดร้อนบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลัง มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่สเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีหัวใจเช่มชื่นเบิกบานสเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วเป็นการดีบุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบลงมือกระทำกรรมนั้นทีเดียวอย่าพยายามเป็นนักปราชญเจ้าความคิดด้วยความคิดอย่างพ่อค้าเกืียนพ่อค้าเกืียนและหนทางสายใหญ่ที่เรียบร้อยสม่ำเสมอเสีย แวะไปสู่ทางที่กลุกระเพ่าก็หักสะบั้นซบเซาฉันใดบุคคลละทิ้งธรรมหันไปประพติตามอาธรรมก็ฉันนั้นเป็นคนเเขาเบาปัญญาดำเนินไปสู่ทางมรตยูซบเซาอยู่เหมือนพ่อค้าเกืียนมีเพราเกวียนหักแล้วฉันนั้น กรรมที่บุคคลใดไม่พิจารณาให้ถี่ท่วนเสียก่อนแล้วทำลงไปผลชั่วร้ายย่อมมีแก่บุคคลนั้นคนผู้กระทำกรรมชั่วต้องเข้าถึงนรกทั้งหมดคนทำกรรมชั่วแล้วไม่พึงได้จากโลกนี้ไปสู่สุคติเลยชายใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกๆุกชาติไป ก็พึงเว้นจากภรรยาผู้อื่นเสียเหมือนบุคคลล้างเท้าสะอาดแล้วเว้นเปลือกตมฉันนั้นหญิงใดปรารถนาเป็นบรุรทุกทุกชาติไปก็พึงยำเกรงสามีเหมือนนางเทพอัปะสรผู้เป็นบาทบริจาริกายำเกรงพระอินฉันนั้นผู้ใดปรารถนาโภคทรั์อายุ ยศและสุขอันเป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปทั้งหลายประพฤติแต่สุจริตทำสามอย่างคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตสตรีก็ตามบุรุษก็ตามควรเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ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 ชื่อคือนามและโคดที่กำหนดตั้งไวน้นี้เป็นแต่ศักว่าโวหารในโลกเพราะเกิดขึ้นมาตามชื่อที่กำหนดตั้งกันไว้ในการนั้นๆทิฏฐิอนนอนเนื่องอยู่ในหทัยสิ้นกาลนานของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้เมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ก็พร่ำกล่าวว่าเป็นพรามเพราะชาติ บุคคลจะชื่อว่าเป็นคนชั่วเพราะชาติก็หาไม่จะชื่อว่าเป็นพรามเพราะชาติก็หาไม่ที่แท้ชื่อว่าเป็นคนชั่วเพราะกรรมชื่อว่าเป็นพรามเพราะกรรมเป็นชาวนาเพราะกรรมเป็นศิลปินเพราะกรรมเป็นพ่อค้าเพราะกรรมเป็นคนรับใช้เพราะกรรมแม้เป็นโจรก็เพราะกรรม แม้เป็นทหารก็เพราะกรรมเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายมีปกติเป็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าโลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมูสัตย่อมเป็นไปเพราะกรรม สัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้ในกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กําลังเล่นไปผู้รู้จักกรรมอันเกิดแต่โลภเกิดแต่โทสะและเกิดแต่โมหะเขาทำกรรมใดจะน้อยหรือมากก็ตามเขาจะต้องเสวยผลกรรมนั้นในอัตภาพนี้แหละวัตถุชนิดอื่นย่อมไม่มีเพราะฉะนั้น ภิกษุผู้รู้แจ้งความโลภความกโกรธและความหลงทาให้วิชาบังเกิดขึ้นพึงละทุกขติเสียได้ทั้งหมดดูก่อนพราหมณ์เราจะได้กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้เกิดในสกุลสูงก็หาไม่ได้แต่จะได้กล่าวว่าเลวซามเพราะความเป็นผู้เกิดในสกุลสูงก็หาไม่ได้ เราจะได้กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีวันะอันยิ่งก็หามิได้แต่จะได้กล่าวว่าเลวทรามเพราะความเป็นผู้มีวันะอันยิ่งก็หามิได้จะได้กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโคะมากหามิได้แต่จะได้กล่าวว่าเลวทรามเพราะความเป็นผู้มีโคะมากก็หามิได้ ดูก่อนพราหมณ์เพราะว่าบุคคลบางคนในโลกนี้แม้เกิดในสกุลสูงก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจอ้อมักโลภมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิ บุคคลย่อมบังเกิดในขัตติยสกุลเพราะพรหมจรรย์อย่างเร็วบุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเพราะพรหมจรรย์ปานกลางบุคคลย่อมบริสุทธิ์เพราะพรหมจรรย์อย่างสูงสุดหมู่พรหมเหล่านี้อันใครๆจะพึงได้ง่ายๆด้วยประกอบการวิงบอลก็หาไม่บุคคลต้องเป็นผู้ไม่มีเรือน บำเพ็ญตบะธรรมจึงจะบังเกิดได้ในหมู่ลมบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติก็หาไม่ได้แต่เป็นพราหมณ์เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินเป็นพ่อค้าเป็นผู้รับใช้เป็นโจรเป็นนักรบอาชีพเป็นปุโรหิต และแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมเห็นกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมูสัตย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนหมุดแห่งรถที่แล่นไปอยู่ บุรุษจะแย่งชิงเขาได้ก็ชั่วการที่การแย่งชิงของเขาพอสำเร็จได้แต่เมื่อใดคนเหล่าอื่นแย่งชิงผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขากลับแย่งชิงเมื่อนั้นเพราะว่าคนผานย่อมสำคัญว่าเป็นฐานะตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่บาปให้ผลเมื่อใดคนผานย่อมเข้าถึงทุกเมื่อนั้น ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบและผู้ครึ่งเครียดย่อมได้รับการครึ่งเครียดตอบฉะนั้นเพราะความหมุนเวียนแห่งกรรมผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขากลับแย่งชิงคืน ดูก่อนมนกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประนีตได้ดูก่อนมนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เป็นผู้มักทาชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัรประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเข่าตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกเพราะกรรมนั้นอันเข่าให้พร่างพร้อมสมถานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติ วินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นดูก่อนมนุษย์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม ละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญาวางศาสตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนาที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนดูก่อนมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติ วินิบาตนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากดูก่อนมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดใดในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคน้อยดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาด ร, ร้ายทำความโกรธความร้ายและความเครึ่องเคียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรคเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงอบายทุกคติบินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพันธ์ซามดูก่อนมนบบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่กโกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาด ร, ร้ายไม่ทําความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อม สมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนหน้าเลื่อมใสดูก่อนมนษนพบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักกระความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงอาบายทุกขติวินิบาตนารกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อม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 เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนาที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีศักด์ามากดูก่อนมนย์ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีบแก่สมณะหรือพราหมณ์เมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติ วินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเข่าให้พลั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีโภอคะน้อย ดูก่อนมาโนบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพรามหากเขาตายไป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 คนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาดนารกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบาย ทุคติวินิบาตนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดในภายหลังจะเป็นคนอยู่ในสกุลต่ำดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้างไม่เยอ่หยิงย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกครับคนที่ควรลุกรับให้อัสนะแก่คนที่สมควรแก่อัสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักระคนที่ควรสักระเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชา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 เพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาศนารกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาศ นรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาซามดูก่อนมนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม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 บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มักประพฤติผิดในกามมักพูดเท็จมักพูดส่อเสียดมักพูดคำหยาบมักเจรจาเพ้อเจอ้อมากด้วยอภิชามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดอยู่ในโลกนี้เขาตายไปแล้ว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 มีความเห็นผิดอยู่ในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็มีบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาติบาตเว้นขาดจากอันธินาทาน เว้นขาดจากการมีสุมิชาจาร์เว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากพูดซอเสียดเว้นขาดจากพูดคำหยาบเว้นขาดจากการเจรจาเพ้อเจอ้อไม่มากด้วยอภิชามีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบอยู่ในโลกนี้เขาตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็มี บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปณติบาตเว้นขาดจากอันธินาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิชาจารย์เว้นขาดจากมุาาาา ก, การพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการเจรจาเพ้อเจอ้อไม่มากด้วยอภิชามีจิตไม่พยาบาท มีความเห็นชอบอยู่ในโลกนี้เขาตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนารกก็มีดูก่อนอนนในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมีความเห็นผิดในโลกนี้ตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาท นรกนี้เป็นอันว่าเขาทำกรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนๆหรือในการภายหลังหรือว่ามีมิจฉาทิฐิพลั่งพร้อมสมทานแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกก็แหละ บุคคลที่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมีความเห็นผิดในโลกนี้นั้นเขาย่อมสเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อๆไปดูก่อน อ, อนนท์ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมีความเห็นผิดในโลกนี้ ตายไปแล้วเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นี่เป็นอันว่าเขาทำกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนๆหรือในการภายหลังหรือว่ามีสัมมาทิฏฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็แหละ บุคคลที่เป็นผู้มักทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมีความเห็นผิดในโลกนี้นั้นเขาย่องสเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อไปดูก่อนอนอนท์ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่เว้นขาดจากปนานติบาตมีความเห็นชอบในโลกนี้ตายไปแล้ว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 มีความเห็นชอบในโลกนี้นั้นเขาย่อมสเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อไปดูก่อนอนอนลในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่เว้นขาดจากปณิปฏิบาตมีความเห็นชอบในโลกนี้ตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาท นรกนี้เป็นอันว่าเขาทำกรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนๆหรือในการภายหลังหรือว่ามีมิจฉาทิฐิพรั่งพร้อมสมทานแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกก็แหละบุคคลที่เว้นขาดจากปณติบาท มีความเห็นชอบในโลกนี้นั้นเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อไปดูก่อนอนลด้วยประการนี้แลกรรมไม่ควรส่งให้เห็นว่าไม่ควรก็มีให้เห็นว่าควรก็มีและกรรมที่ควรแท้ๆส่งให้เห็นว่าควรก็มี ให้เห็นว่าไม่ควรก็มีดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งถูกราคะและโทสะปกคลุมแล้วอันอวิชาห่อหุ้มแล้วเพลิดเพลินรูปที่น่ารักย่อมดื่มสุราและเมรยัย เศพเมทุนเป็นผู้ไม่รู้แจ้งยินดีรับทองและเงินสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพอุปกิเลสอันเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งไม่สง n าไม่รุ่งเรืองไม่ไพยโรธซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์มีทุลีคือกิเลสเป็นผู้อันความมืดรัดเรึงแล้ว เป็นธาตุแห่งตันหาอันตันหานำไปด้วยดีย่อมยังอัตภาพอันหยาบให้เจริญย่อมยินดีพบใหม่เหล่านี้อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระอาทิตย์ตรัสไว้แล้วนรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียร มีปัญญารักษาตนรอดภิกษุนั้นพึงทางรกชัดนี้ได้ราคะก็ดีโทสะก็ดีอวิ ช, ชาก็ดีบุคคลทั้งหลายใดกำจัดเสียแล้วบุคคลทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีอสวะสิ้นแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัญหา เป็นเครื่องยุ่งอันบุคคลทั้งหลายนั้นสางเสียแล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาและรูปสัญญาก็ดีย่อมดับหมดในที่ใดตันหาเป็นเครื่องยุ่งนั้นย่อมขาดไปในที่นั้น สาธุชนทั้งหลายสำหรับในวันนี้รายการเสียงอ่านพระธรรมจากพระตรัยพิดกได้จบลงแล้วจึงขอให้ท่านสาธุชนได้ติดตามรับฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สารธรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อท่านสาธุชนขอสารธรรมนั้นจงเป็นกุศลเพิ่มพูนบุญยราศี ประดับชีวิท่านผู้ฟังทั้งหลายให้มีความสุขทุกที่พาลาติการด้วยเถิน